ที่แต่งมาบวดในใหมนะ่ครับไปอยู่ที่มัณฑาสุปโตตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะว่ามีวิธีการปฏิบททนะัติธรรมแบบแนวหรวงพ่อเบียรนะไปแบบรู้บ้านไม่รู้บ้านนะรู้ว่าที่นั่นนะมีหลวงพ่อาำเขียนไนะถ้เป็นตูบาที่คนที่ทาำเภอแก้งค อ, ค อ, อก็พอจะเรจากบ้านนะ เพราะอาจาร์ไปสานท่านก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่บ้างแต่จริงแล้วพ่อเขีก็เป็นที่รู้จักในแวดวงกรรมฐานไต่หลวเทียนมันอยู่มากเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ยังไม่รู้จักนลวเทียนคือใครการเตือนสติแบบยกมือเคลื่อนไหวคืออะไรเคยทําแต่อานาปานสติในแบบแนวของ ส่วนโมกอาจารย์กุทธธาเคยบริการแบบพูดโทรเนะหายใจเข้าพูดหายใจออบโทรแต่ก่อนก็เคยทำแต่แบบนั้นนะพอมาเห็นวิธีการยกมือสร้างจังหวะนะัะแรกๆเราก็ตกคล้ายตกใจหรือว่าวันทีก็รู้สึกตลกในใจนะมายกมือเันทาไม มีได้เรยวิธีการปฏิบัติแบบนี้นะยังไม่เข้าใจแนตะ่พอได้เห็นหนังสือของพ่าเทียนอ้อมีหลวงพ่อเทียนนะท่านสอนยกมือท่านงังวัดแบบนี้เนะาะหรือคำสอนของหลวงพ่อเทียนเองบางทีก็<ส>ท่านก็พูดง่ายๆเนาะนะอยากจะมาได้อ่านหนังสือของพ่อเทียนเรื่องแรกเป็นคล้ายๆเปรวมเร่อคล้ายๆ เขาก็คัดสรรมาจากคาพูดหลายๆอย่างของพ่อที่ท่านเทศไว้ในแต่ละตอนนะก็มารวมเล่นเป็นธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันนะก็เป็นสิ่ที่หลวงพ่อเขียนแล้วก็สอนในหลายๆมุมธรรมะที่แท้จริงเออเราต้องรู้อย่างเดียวกันถ้าหลวงพ่อเขียนท่านยกมือแบบนี้ถ้าท่านรู้ธรรมะแท้ๆมันก็คงไม่ต่างจากที่ อย่างพอ่อพุทธทาสรู้ครูบาอาจารย์ใส่บรรปารู้หรือผู้เพิ่อนเจ้ารู้สิก็เริ่มเกิดความสนใจมากขึ้นแต่จริงตัวที่ช่วยให้ใคลายความสงสัยได้เดยอะก็คือมหาสติปัฏฐา น, น, านะนะที่วันนี้เราได้สวดแต่มากระสงสัยก็ต้องดูสิว่าครูบาอาจารย์สอนนี่มันตรงกับทีพ่พทจารสอนหรือเปล่านะเนี่ย พระเจ้าท่านก็ท่านก็ตัดไว้แบบมีจริงๆเนาะท่านไม่ได้เขียนนะแต่ท่านท่านตัดไว้โอ้เกจอพิสุจน์ทั้งหลายเคยจะมีความรู้สึกตัวนะขณะที่เดินไปข้างหน้าขณะที่ถอยไปข้างหลังขณะที่มองไปข้างหน้าขณะที่เลี้ยวซ้ายขณะที่แรงขวาและที่สาคัญมีความรู้สึกตัวในการปูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออก หรือภาษาแน่ๆก็ฟูแขนเข้าเหยียดแขนออกเป็นการทําความรู้สึกตัวอืมหรือทาความรู้สึกตัวขนาดกินดื่มขับถ่ายพูดคุยอ๋ออันนี้อ่ะที่ยกมือสร้างจังหวะฟู อ, อาวัยวะเข้าเหียดอยาวัยวะออกเดินไปทั้งหน้าเดินขับมาทั้งหลังมันมีอยู่ในพระสูตรนะมันมีอยู่ในคําสอนของพระเจ้าอยู่ ก็เริ่เออเกิดความสนใจแล้วก็แล้วก็ทําำทําทั้งอาณาพานิชย์ธทําทั้งยกมือสร้างจังหวัดนะสลับกันไปเสลับกันไปตอนนั้นก็เห็นว่าเออมันก็มันก็ทําไปได้เยะแต่พอทําไปทํามานะเอมันชอบนะการเดินจมกลมการยกมือสร้างจังหวัดมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นเรียงทําพานาก็ มันเป็นแค่แค่ความสงบนะแค่แชความเบาเบาสบายสบายแล้วก็ไปต่อไม่เป็นทําไปตอนแรกก็ตามดูลมหายใจตามไปเรื่อยลมหายใจก็ก็เหมือนนิ่งหรือหยุดไปนะแต่เราก็คิดว่าเราก็ยังหายใจอยูน่นะแต่ไม่เห็นลมหายใจมันเหมือนเงียบคล้ายๆเหมือนกับ เหมือนกับอากาศบางที่ที่แบบไม่มีลมเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามีลมนะคือมันมันไม่มีลมพัดนะข้างซ้ายข้างขวาไม่สามารถสัมผัสกับลมพัดไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบางทีทำอานาพันธสินะไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออกแต่รู้ว่ายังไม่ตายรู้ว่ายังนะมีลมแต่มันเบาๆแผ่วๆอยู่แต่ไปไหนต่อไม่เป็นนะเหมือนคล้ายๆ มันก็แค่อยู่ตรงนั้นไปไหนต่อไม่ถูกนะเหมือนเจออ่า น, นโล่งนะะก็ต้องไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังนีนะ้ก็ติดแค่ความสงบติดแค่ความสบายตรงนั้นแต่นพะอเรามายกมือสร้างจังหวัดนะมันเกิดความรู้ตัวมันมีการรู้อยู่ชัดๆตลอดนะ่นะนะยกมือมันก็มีตัวรู้ชัดๆนะมือมไม่ได้หายไปนะ ยกไปไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ามือมันหายเพราะมันความรู้สึกเนี่ยมันแต่เราไม่สำคัญว่าเป็นมือหรือนะแต่เรามีความรู้สึกเคลื่อนรู้สึกไหวรู้สึกกระทบสัมผัสเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดเวลาเอ่าจ่เดินก็เหมือนกันเดินแม้บางครั้งอาจจะรู้สึกเบาบ้างนะสบายบ้างแต่มันก็ไม่ถึงขั้นกับตัวหายไปเลยตัวเบาลอยไปเลยเพระาะว่าความรู้ึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวดึง ดึงให้สมาธิมันไม่จมมากเกินไปมันไม่จมกับสมาธิไม่จมกับความสุขอาการนิมิตอะไรต่างๆมันไม่เกิดขึ้นมามันก็ทําให้เรารู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละเราจะนั่งสมาธิก็ดียกมือตร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือทําการงานก็ดีอ๋อหลักหลบเข้าเทียนคือท่านให้เรา ติดคอยตามรู้นะคอยรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะไปเรื่อยรู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปเรื่อยตอนหลังแม่มันทีมานั่งดูลมหายใจนะมันก็ไม่ใช่เป็นบังคับลมแล้วก็ไม่ใช่เป็นการตามลมแต่เป็นเพียงแค่การเหมือนมีจอยดูคอยดูลมนะคอยดูกายที่นั่งแล้วก็ดูลมที่มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลง ไม่บังคับลงไม่ตามลมนะแค่ดูลมอันนี้ยเหมือนกับไปคล้ายเรามีสติคอยดูไม่ตามไม่ตามมือนะไม่ตามเท้าเป็นเพียงแค่ดูเหมือนกับไปไคล้ายเราดูโทรทัศน์อจะช่องไหนจะเรื่อกมาแล้วแต่ตัวดูก็นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่ตรงเก้าอีนะ้โทรทัศน์มันก็อยู่ตรงอีกที่หนึ่งเราก็เห็นนะ ตัวรูมันจะเป็นผู้ที่มีสติคอยดูกายเป็นเลื่อนไหวกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของกายไปเรื่อยนะเราเมียที่เป็นแค่รู้เฉยๆรู้เฉยนะแต่บางทีมันก็ไม่เฉยหลับบางทีมันก็เผลอเข้าไป <c ười> เผอเด็กจ้องบ้านงนะบางทีเราก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นในบ้านก็มีนะทำ ใ, ใหม่ๆนะไม่มีใครไม่ ไม่มีใครไม่หลงหรือบางทีก็หลงไปบงังคับบ้านเป็นกันทุกคนนะเวลาทำไปแรกๆเลยสำคัญคือพยายามจับความรู้สตัวให้มันได้นะนะลองหาทางสายกลางนะลองหาการวางใจไค่คลายวางกาวางกายใคๆ่วางใจทางจจกลางไม่เพ่งไม่เจาเนะคือแบบไหนนะเพราะว่าปกติบางทีเราปฏิบัติบางทีเราก็ ไม่ค่อยทากายแบบให้มัน่อนคลายนะเราจะเกรงบ้างเราจะเครียดบ้างเราจะตั้งใจเดินไปบ้าง น, นะจะจะเอาจริงแล้วนะแต่ก่อนไม่เอาจริงนะเล่นเล่นไปพอมาปฏิบัติจะเอาจริงนะพ อ, อจริงมันก็เลยเกิดความตั้งใจเดินไปเข่งช้องเข่งเครียดไปสักหน่อยนะในห ม, ม่ก็มักจะเป็นแบบนั้นทุกคนนะั่นแหละนะบางทีหรือบางคนพอปฏิบททัติทําก็จะเอาไม่ได้ น, นะ จะรู้ให้ได้ไปในตามวันเจ็ดวันนี้น ะ, ะปฏิบัติทำแล้วก็พอไม่ได้ก็เครียดนะมันทําไมไม่ได้อะไรเอลยเพราะอะไรเครียดเพราะเราคาดหวังพอไม่ได้อย่างหวังเราก็เลยทุกไ ม, ไม่ไม่พอใจนะอันนี้คือบางทีเราวางใจไว้ผิดอันนี้คือการเพ่งจ้อบงบังคับเกินไปแต่ธรรมชาติของคนส่วนใหญ่นะนะนะจะทําแล้วมักจะเผลอ เผลอไปคิดเผลอไปกับอารมณ์ตา่างๆนะมันจะเผลบบอไหวมากมนะบางทีเราก็เผลอนะบางทีเราก็เพ่งนะก็สลับกันไปแบบเนี้แะ น, นะแล้วแต่บางช่วงนะบางขณะนะตั้งใจมากนะก็เพ่งมากก็ไปหน่อยบางขณะไม่ค่อยตั้งใจก็เผลอไปเยอะนะแต่ก่อนอ่จจะเคยเผลคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหลายๆเรื่อง ลืมลืมรู้สึกถึงการเคลื่อนของมือเดินก็ไม่รู้สึกนะก็เดินไปกับตัวทนะีก็อาจจะค่อยรู้สึกก็ได้แต่บางทีความคิดมันก็สนุกนะกลับตัวแล้วก็ยังก่อคิดต่อเรื่องนี้คิดไม่จบพนระ้อมคิดต่อบางคนคิดเป็นโปรเจกตนะ์นะโปรเจกต์ปฏิบททัติธรรมชวนคนนั้นคนนี้มาปฏิบททัติธรรมคิดเป็นโปรเจกต์นะ จะบอกจะสอนนะยากมิด้อย่างไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะคิดเผลอไปคิดเรื่องการเรื่องงานไปเลยบางทีเราก็มันก็เสียดายเนาะบางทีความคิดเนี่ยตอนทํางานมันคิดไม่ออกแต่นมาปฏิบัติธรรมมันคิดออกมันก็เลยอยากจะคิดให้มันจบงานที่เลยคิดไม่จบคิดไม่เสร็จคิดไม่ดีพอมาปฏิบัติธรรมเอาับคิดดีคิดออกคิดได้ เราก็จะเสียดายนะอแต่ที่จริงเวลาปฏิบัติธรรจริงอยากวางความคิดทุกอย่างเลยความคิดดีความคิดเรื่องการเรื่องงานอะไรต่างๆวางไว้ก่อนนมันคิดขึ้นมาวางไว้วางไว้ไวไม่ต้องกลัวว่ามันจะคิดไม่ได้นะพอเรามีสติจริงพอไปทําการทํางานไอ้พวกนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นอารมณ์วิปัสสนูน้อยก็ได้นะ ไอ้ที่มันรู้ขึ้นในใจแหละมันก็อยู่อยู่ตรงนี้แหละพอเราสําคัญนั่นหมายเราก็เอาไปใช้นะค่อยเอาไปใช้เหมือนตอนแรกเรามีเงินอยู่แล้วอมีสติก็เหมือนมีเงินอยู่แล้วพอเราจะใช้ก็แค่อเอาไปซื้อของอเอาไปจ่ายนะไอ้ความรู้เนี่ยเมื่อทีไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปพยายามย้ำคิดย้ทำทําต้องไปจําต้องไปทวนบ่อยๆมันไม่ไม่จะเป็นขนาดนั้น เหมือนกับเหตุกาเราเราเรียนหนังสือก็ดีเนาะหรือเราไปที่ไหนก็ดีแล้วเราก็เลคเชอร์เราก็จดในสมุดบันทึกแต่เอาเข้าจริงๆในชีวิตจริงของเราเราไม่ค่อยจะไปท่องทวนนะจะไปเที่ยวที่ไหนไปเจออะไรไม่ค่อยจะไปอ่านสมุดบันทึกหรอกอ่าหรือสิ่งที่เราเรียนขึ้นมานะบางทีเลคเชอร์ที่เราเรียนเราก็ไม่ค่อยได้อ่านลืมไปแล้วคืนไปแล้วแต่สิ่งที่เราใช้จริงๆ คือความรู้ที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละมันไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในหนังสือนะอยู่ในสมุดการภาวนาก็เหมือนกันสติปัญญามันจะมาซึมซับที่กายที่ใจของเราเนี่แหละนะแล้วพอเราเกิดปัญหาเราแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญ ญ, ญานี่แหละนะไปแก้ปัญหาเลยนะพอเราเจอคนนินทาว่าร้ายใช้สติปัญ ญ, ญานในการวางใจให้มันไม่พุ่งเลย เจอคนชมเจอคนหลอกเรารู้ทันเลยนะรู้ทันตัวเราว่าเฮ้ยตำแหนงจะหลบไปกับเขาแล้วนะเพ้่มไปกับเขาแล้วเขามาขายสินค้าแล้วมันจะเกิดเป็นซื้อแล้วเนาะอะไรแบบนะีนะนะ้เรารู้ทัน่นะรู้ทันตัวเรารู้ทันคนที่มาหลอกเราด้วยเจตนาดีก็ตามด้วยเจตนาไม่ดีก็ตามรู้ทันไม่โกรธเขาอนะ่ไม่เกลียดเขาเนสติมันจะพอสติดมันอยู่ใน ในเนื้อในตัวของเราเนาะมันเอาไปใช้ได้ทันทีไม่เหมือนปัญญาที่อยู่ในตำราไม่เหมือนปัญญาที่อยู่ในความคิดพอถึงค่าวจริงเอาใช้ไม่ทันเนะ่ยเขาเรียกว่าคิดตำราไม่ถูกกันนะอืมหรือบางทีเราบอกว่านะรู้นะรู้มากนะก็ยากนานเหมือนกันนะหรือบางทีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดพว ก, กนะี้แหละนะมีความรู้ปริยัตมากนะ แต่พอถึงใครจริงก็ตัวไม่รอดก็ยังพุกอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวการสึกสติปัญญาเ น, นะบางทีเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรบางทีครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าให้ทําเหมือนแบบโมโอะไปแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยอยากยโมโงอะเนาะจะบอกให้ทําแบบโมโอะไม่รู้อะไรเลยบางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเราจะทําถูกหรือเปล่านแต่การทําแบบโมโอะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะ เราก็รู้หลักเทคนิคในการปฏิบัติแหละแต่ทําแบบมโง่เหมือนที่ใช้ทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรเราต้องไม่ได้หวุดว่าเราจะเก่งอะไรนไม่ทำเพื่อจะเอาอะไรแต่ทําแบบตัดแต่ ว, ว่าทําหรือบางทีครูบาอาจารย์หลงพ่ออย่างหลวงพ่งองเขียนเนี่บอกว่าทําแบบไม่รู้ซื่อซื่ออิสานเนี่ยซื่อซื่ อ, อ, อ, อ, อ, อแบบมันบริสุทธ์ หรือซ anyway, ื่อแบบเราก็เหมือนคล้ายๆรู้แบบเฉยๆนะก็ต่างการกันได้ว่ารู้เฉยเฉยก็ได้นะอารมนาก็รู้เฉยเฉยรู้แบบบริสุทธิ์บริสุทธ์นะเหมือนเด็กมันดูอะไรมันก็ดูแบบบริสุธนะสะอาดสะอาดนะคืออันนี้แหละบางทีบางทีเราก็เียว่ารู้แบบซื่อรู้แบบเิเฉยรู้แบบบงวางรู้แบบบงว่านะคือบทีก็ พูดง่ายๆเรารู้แบบโมโง่ไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปตีความนะแต่บางคนฉลาดมันจะตีความพอเห็นเนี่ยก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์เนาะเอ่อบางคนนะมีความรู้อะไรอ่ะเราก็จะไปวิาจารณ์เท่านั้นนะมีความรู้เรื่องสถาปัตย์เห็นนั่นเห็นนี่ก็ไปวิจารณ์เนวสถาปัตย์นะมีความรู้ในเรื่องดูนกดูอะไรก็เห็นนกก็ไปวิาจารณ์นกนั่นนกนี่ หรืบาทีเราได้ฟังข่าวอะไรได้ข่าวนี้เราชอบไม่ชอบมันวิจารณในใจเ อ, อคนนี้เออบางคนชอบดองูงูชอบดูบวกริบคนอื่นเห็นคนนี้ก็เป็นเออเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่แม้ไม่ใช่วิจารณในทางเสียนะแต่การวิตกวิจารณในธรรมะก็คือการนึกคิดในใจเขาเรียกอาการวิตกวิจารก็คือเกิดการปรุงแต่ง ใ, ในใจแม้แต่การวิตกวิจารณ์ธรรมะก็เหมือนกันนะอืม อันนี้เป็นตัวนี้เนาะอันนี้เป็นตัวนี้เนาะสภาวะแบบนี้เนาะสภาวะแบบนี้เนาะที่จริงมันเป็นอาการวิจกวิจารนั้นนะอาการสมาธิท่านไดนปีติสุขนะแล้วก็วิจกวิจารณเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพอปฏิบัติธรรมเรนะือยเนยมันจะเกิดปีติเกิดสุขวิจกวิจารคือพยายามเหมือนคล้ายๆอยากจะรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรนะก็ไปสร้างสมมุติภาษาขึ้นมา แล้วก็ติดที่สมุติภาษาขึ้นมานะมันเป็นอาการวิตกวสณูอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะเอามันรู้แล้วก็ไม่วางสิ่ที่รู้รู้แล้วก็คิดต่อรู้แล้วก็คิดต่อรู้แล้วก็สำคัญมันจะเอ่เป็นผู้รู้อันนี้เออคื อ, อมันเป็นอารมณ์หนึ่งของการการเจริญสตินะคนที่สร้างของสึกตัวไปได้ไมเยอะเนี่ยอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาน่าเกิดขึ้นมา บางคนก็หลงนานบางคนก็หลงไม่นานนะแต่มันก็มีเป็นอาการอย่างหนึ่งนะอารมณ์อาการที่มันปฏิบัติธรรมมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะอนะดีนั้นไม่ดีหมายถึงว่าโดยสมมุติภาษาเขาเรียกเป็นกุศลอกุศลนะบางทีก็ง่วงเหางาหานอนคิดฟุนะ้งซ่านลังเลสงสัยเขาเรียกเป็นพวกนี้เป็นกลุ่มของ เรีว่าเป็นนิวรณธรรมต่างๆนะเป็นตัวหน่วงเป็นตัวลังเป็นตัวฉุดนะเป็นตัวให้เราติดยึดอยู่ประมาณแต่บางทีก็มีพวกน่ารักวิติศุขนะวิตกวิจารณนะความรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบางทีก็เป็นตัวหน่วงเหมือนกันนะให้เราให้เราติดนะแต่ทุกทสิ่งทุกอย่างนะถ้าเรามองในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็น สภาวะธรรมย่างเฉยเฉยนะมันเป็นเหมือนคล้ายๆทางผ่านนะทุกคนต้องผ่านทางนี้แหละกนะารปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรักที่จะเลี่ยมให้เจออารมกนี้เลยไม่มีนะอยู่แป๊บึกระโดดไปเป็นพระโสดาบันไปเป็นพระอรหันต์เลยอืมัน ไ, ไม่ได้นะนะมันต้องผ่านอารมณ์พวกนี้แหละนะเวลาเราเจอความง่วงเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบนะทดสอบ เวลาเราเจอความลุ้งซ่านเจอความสงสัยมันก็เหมือนเราต้องทดสอบนะเหมือนเราเดินขึ้นเขาอ่ะเดินขึ้นภูกระดึงนะเดินขึ้นภูสอยดาวอะไรก็แล้วแต่นะเราเดินขึ้นเขามันก็ต้องเหนื่อยนะเหนื่อยมันก็เราก็อยากจะพักเราก็ลานะแต่การที่เราพยายามจะเดินขึ้นไปเรื่อยกีละก้าวทีละก้าวนะ่ะก็เหมือนกับเราพยายามที่จะมีสติแต่ละครั้งเนะี่ย ผ่านความม่วงผ่านความเบื่อผ่านความสงสัยผ่านความดีใจนะเหมือนใช้บนทีเดินขึ้นเขาเห็นวิวตรงนี้สวยเห็นลมตรงนี้น่าพักนะเห็นน้ําตรงนี้อร่อยนะก็อยากจะพักนะมันก็เดินนะก็ อ, อยากจะพักหรือเห็นทางแยกเ hey, น, น้่ยอนี้อะไรนะไปดูน้องตกนี้ดีกว่าไปดูต้นไม้นี่ดีกว่าก็หลงทางออกไปก็มีนะปฏนะิบัติธรรมบางทีบางคนก็ไปหลงนิมิตนะ เห็นปฏิวัติไปบางทีนะบางคนเห็นพระพุทธเจ้าท่านมาเนะ่เดินจงกรงอยู่ดีก็ลงเด็กลาพระพุทธเจ้านะพระสุทธเจ้าในมิตของเราไม่ใช่ตัวจริงท่านเสด็จมาก็มีนะบางคนก็หลงไปเป็นผู้รู้นะอยากจะสอนอยากจะบอกต่คนอื่นจะลืมต่อตัวเองความรู้ที่มีก็เลยหมดไปก็มี อันนี้มันก็มีอารมณ์ไปทางผ่านเงินไปทางแยกเป็นทางที่ชวนให้เราหลงแต่การภาวนา จ, จริงๆนะหลวงพ่อกงเขียนแล้วบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากแ็แล้วแต่ให้กลับมารู้สึกตัวกลับมาหากรรมาฐานหลักตัวเจ้าก้อนน่ยการเคลื่อนไหวการสร้างสตินี่ยให้กลับมาหาตัวนิพพานนะอะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์อะไระเกิดขึ้นมากแ็แล้วแต่กลับมาหาความรู้สึกตัวอมันจะแก้ให้ทุกอย่างเลยนะ แต่ได้ันเป็นยาแต่ละพัโดโต้ก็ได้ตอนใหม่ๆ ม, มาก็ไม่เชื่อหพอนะก็ะทา้าในใจอะไรมันจะอะไรมันจะแบบเหมารวมขนาด น, นั้นอะไรมันจะแบบเวอร์ขนาด น, นั้นนะเราก็ไม่เชื่อนะว่าแค่ทาความรู้สึตัวอย่างเดียวมันมันพอเะร อ, อเราคิดว่าต้องทําอะไรเยอะๆมากมายหลายอย่างมันถึงจะพอแต่จริงการทําความรู้รู้สึกตัวอย่างเดียว มันก็ไม่ใช่เป็นแค่อย่างเดียวมันดึงมาทุกอย่างนะั่นแหละะอย่างเมื่อวานที่ว่าสินะ่งตมาทิปัญญามันมาด้วยกันนะี่แหละกับการที่เราแค่สร้างความส ต, ตุวตนะ่างๆเนี่แหละมันเป็นการเหมือนค่าทีค่อยเดินทางไปทีละกนะ้าวผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆการกลับมาเรื่องก็คือการผ่านไปผ่านไปทีละก้าวแม้เราจะเหนื่อยเราก็ยังเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวแม้เราอยากพักเราก็ยังเดินอยู่ นอกจากบางช่วงไม่ไหวจริงๆอก็พักนิดนึงนะแต่พักแล้วก็มาเพียรต่อนมาเพียร ท, ทาความเพียรต่อนะอันนี้คือเราพยายามกล้าไปเรื่อยเราไม่หยุดแล้วก็ไม่พักแล้วก็ไม่ห ล, ลงไปกับสิ่งย่ว ย, ยวนต่างๆเพราะทีอารมณ์การภาวนามันก็จะมีอารมณ์เข้ามาเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเนาะถ้าใครเป็นผู้ปฏิบัติเก่านะก็ดีก็จะ พอจะเข้าใจสภาว่าพวกนี้ยมันก็จะเป็นธรรมดาที่เราจะได้สัมผัสนะเป็นทางผ่านเป็นอารมณ์นะในการปฏิบัตินะแต่ถ้าคนเป็นผู้ใหม่เองก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะก็ฟังไว้กอ่อนเฉยๆนะไม่ต้องไปสงไปอะไรมากนะไม่ต้องไปอยากรู้เมื่อกีมันก็จะอยากรู้นะไม่ ใ, ใหม่แล้วปฏิบัติมาก็อยากรู้เหมือนกันหลวพ่อเทีย น, นีท่านท่านไกด์ลา ย, ายว่าอารมณ์ การปฏิบัติธรรมบนข่านเป็นอะไรอย่างนี้นะอืมดูดูน้ำดูนั่นดูนี่ต่อไปเรื่อยเราเขาก็เป็นจำจำเออก็มาพอปฏิบัติเราก็มักจะมาคิดเราถึงขั้นไหนแล้วเราถึงขั้นไหนแล้วเอพอไปคิด <c oughs> แบบนั้มบางกีมันไกลใชเราก็เพิ่งเข้าใจตอนนะ่ะโอ้จริงจริงมันเป็นวิตกวิจาร์เนี่ยมันอยากจะเทียบอยากจะเทียมมันอยากไปเรียกชื่อให้ถูก มันอยากจะดูว่าที่จริงตัวสําคัญคือเราอยากจะเป็น <c oughs> เราอยากจะเป็นแบบท่านเราอยากจะมีแบบท่านเราก็เลยแบบพยายามที่จะหาว่าเรามันได้ถึงถึงขั้นนั้นหรือยังอที่จริงเข้าภาวนาไปแม้เราได้อ่านอะไรเนาะได้ฟังอะไรเ อ, อวางได้เลยวางได้เลยะพอมันจะหยิบขึ้นมาเทียบอ่ะวางได้เลยหยิบขึ้นมาเทียบอีกวางได้เลยไม่สําคัญ ภาวนาที่จริงสิ่งสําคัญคือเราทําอะไรให้เราค้นจาความทุกข์นะให้เราไม่ไปยึดติดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุด น, นนะะแต่สมมตุติเราก็รู้เราก็ทําตามสมมติแต่จริงนะเราก็วางไว้นะวางการยึดมั่นตือมั่นในใจของเราเนี่ยแหละนะเราปฏิบัติธรรมเพื่อตรงนี้นะดังนั้นเวลาเราจะปฏิบตัติไม่ต้องไปเครียดเคียงอะไรไม่ต้องอยากเป็นอะไรสิ่งสัญที่สุคือการปฏิบัติ ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อจะอยากอะไรเพราะความอยากเป็นเหตุของความทุกข์นะทุกอย่างนะอยากที่จะไม่เอาก็ทุกข์นะอยากที่จะเอาก็ทุกข์นะอยากจะเป็นก็ทุกข์อยากจะมีก็ทุกข์นะแต่สิ่งหนึ่คือเราทาเหตุทำเหตุนั่นมันจะมีเองทำเหตุนั่นมันจะเป็นเองทำเหตุน้่นมันจะได้เองนะเหมือนเราทางานอ่ะเราทางานเราก็ค่อยมีเงิน มีคนนับถือมีอะไรต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยเราอยากจะได้เงินอยากจะได้คนนับถืออยากจะได้นั่นไนี่มันก็ไม่ได้นะอแต่เราทำเหตุการทำเหตุที่ให้เราค้นจากความทุกข์นะก็คือการสร้างสตินี่แหละพนะยายามสร้างสติสรสรเรื่อยๆนี่คือเหตุเหตุในการที่เราจะเข้าใจความจริงนะหรือว่าสัจธรรมของชีวิต เหตุที่จะทําให้เราวางควาทุกข์ไปได้ๆๆเรื่อยๆเรามาทำตัวเนี้ยไปเยอะๆนะบางทีนะมันจะเจออารมณ์อะไรก็แต่แล้วแต่เราต้องรู้ด้วยตัวเองนะที่จริงธรรมะเนี่ยมันเป็นปัจจิตังตาการปฏิบัติเยอะๆเนี้ยมันจะทําให้เรามาสัมผัสกับอารมณ์ตรงนั้นได้นะเราจะไม่เ่อนใจจริงๆเวลาง่วงมากๆเป็นแบบไหนถ้าเราไม่เคยเจอความง่วงจริงๆนะ เวลาท้อแท้จริงๆเนี่ยเรื่องแบบไหนมันจะไม่เข้าใจจริงๆนะถ้าเราไม่ได้เจอลงตรง น, นั้นไม่เหมือนเราเคยได้ยินคนอื่นเขาว่าแต่ตอนที่เราสัมผัสเองจริงๆมันจะเป็นอีกลมหนึ่งเนาะบางทีเหมือนกับใชๆเวลามีคนอื่นเขามีปัญหามีความทุกข์นเนี่ยมาปรึกษาเราเนี่ยเราให้คำปรึกษาได้นะเราบอกว่าได้แนะนำเขาได้หรือเรามองเหตุเ็นเรื่องง่ายๆ แต่ตอนเราเองมีป cool <ding Present color 's asta> ัญหาเนี Taylor ่ยทำไมมันหนักเกินเนาะเห็นไหมตอนที่เราผบหักก็ดีทําไมเอาจมขนาดนั้นตอนที่ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเราเสียเราก็ทุกข์แต่พอคนอื่นเสียก็ไม่เห็นทุกข์เท่าไหร่เพราะเรามองเป็นเรื่องนอกส่วนแต่พอเรามาเจอตัวเราเองเนี่ยมันมันไม่ง่ายอยนั้นการภาวนาก็เหมือนกันเนาะบางอารมณ์ที่เรายังไม่เจอเราจะมองเป็นเรื่องเรื่องง่ายๆธรรมดา แต่พอเจอจริงๆเนี่ยมันมันท้าทายนะมันท้าทายว่าเราจะออกเดี๋ยวมันได้หรือเปล่านะมันท้าทายที่เราจะไปจมกับมันหรือเปล่านั้นเราก็ต้องสัมผัสมันเลยกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่มันแสดงขึ้นมาจริงๆนะแต่การปฏิบัติทำนีไม่ใช่เป็นการเหมือนคล้ายๆไปเดินหานะถ้าไปลองกับมันแต่เราก็ทำอยู่แบนี้แหละมันจะมาแทรกมันจะมาทดสอบใบเรื่องของมันะนะ ในการเตือนสติแบบหลวงพ่เทียนไม่ใช่เหมือนพยายามไปไปเดินดูอารมณ์นะไปดูสินะไม่ใช่ไปเข้าอรงน้ําไปดูสิว่าจะดีใจหรือเปล่ า, า จ, ะจะโกรไปกับหนังหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าจะไปหาคนให้มาด่าเราหรือเปล่าไปดูสิว่าตัวเองจะโกรธหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไปหานะเอาไปหาแบบนะั้นมันเหมือนไอทีมันเหมือนเราไปสร้างสถาน ก, การณ์นะ เพื่อมาทดสอบไลยจริงพอเราจะเป็นร้างสถานการณ์เพืยัางเนี่ยเราจะเตรียมใจไว้ไมันไม่เป็นปกติแล้วแหละอแต่จริงสถานการณ์จริงมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างเราเพียงแค่ทํากิจของเราเป็นปกติเนี่ยแหละพอเหตุการณ์รอะไรเกิดขึ้นมาเราเพียงแค่รู้รู้ทันตัวเราเวลามันมีอรมารมณ์อะไรเกิด ข, ขึ้นมาถ้าหลงไปกับอารมก็สาับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหว มาอยู่กังการรู้สึกตัวนี่แหละไปเรื่อยๆนี่แหละคืออารมณ์เนะที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องผ่านนี้ได้นะต้องทําใี้ได้นะบางทีมันยากเยอะๆเนี่ยโอ้เราก็จะเห็นยิ่งยากมากหรือยิ่งทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยนะถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกขนะ์นะบางทีก็อยากแบอยากบางทีก็อยากแบบและเอียดนะนะ มันก็มีหลายอย่างนะเราต้องสัมผั<อ>สสัมผัสแล้วเมื่อไรที่เราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าอนะความอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อนั้นมันถึงจะวางความอยากได้นะนะมันอาจจะวางได้ไม่หมดแต่ก็วางในในบางเรื่องบางราวก็ได้เนะี่ยเราต้องเห็นเราต้องเข้าใจว่ากายใจมันเป็นทุกข์อย่างไรก็รถึงจะวางมันได้นะถ้าเรายังไม่เห็นว่ากายใจมันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่วางหรอ เพราะเรายังอยากจะอยากจะให้กายนี้ใจนี้มันเป็นความสุขตลอดนะอยากจะให้มันแข็งแรงแบบนี้ต่อไปอยากจะให้มันบังคับบัญชาได้นะสั่งการได้ตลอดแต่เมื่อไหรที่เราเห็นเห็นตัวเราเนี่ยแหละตัวเราที่เป็นสมมุติที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันไม่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเนะี่ยเมื่อเมื่อ น, นั้น่เราจะค่อยๆวาง ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เนาะเมื่อเราหวานนะใจเราก็จะเบาใจเราก็เบาสบายนะอยู่ของโลค ก, ก็อยู่ได้นะสนุกตลกได้ทั้งนะดูสมมุติของโลค ก, ก็สแสดงตัวอาการของกายใจของเราสแสดงก็ตลกตลกไปอยู่แบบเล่นๆไปชีวิต ที่เหลือชีวิตนะมันก็เหมือนเป็นชีวิตที่มันสนุกสบายนะแต่มันก็เห็นว่ามันมีคุณค่ามากทนำะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะต้องปฏิบัติต่อนต้องรักษาอต้องขวนควายให้มากขึ้ น, นเรื่อยๆนะออการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพียงแค่รู้หรือเราทำเล็กเล็กน้อ่น้อยแล้วก็พอนะเออ ในชีวิตพื้นฐานเนี่ยปัจจัยสี่หรือเรื่องตา่างๆอาศัยความพอเพียงแบบนีละนะแต่ธรรมะเนี่ยพรวเจ้าท่านไม่ให้เราพอง่ายๆนะแต่กว่าเราจะค้นจากควาคุกเนี่ยเรนต้องแบบทําความเพียรไปเรื่อยนะท่านให้แบบเพียงแค่พอใจแค่ระดับต้นๆระดับกลางต้องพนะัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะพัฒนาคือหยุดหยุดความเพียรของเราไปเรื่อยนะอันนี้แหละคือ คือการที่เรามาเจอสติเนาะมันจะทําให้เราเป็นผู้ที่นะผ่ า, านทุกอย่างนะทั้งเรื่องทางโรคทั้งเรื่องทางธรรมน่ะทั้งเรื่องภายนอกทั้งเรื่องภายในอมองอะไรก็กลับมากลับมาหาตัวรู้สึกตัวเนี่แหละจะทําทการทํางานหรือว่าไม่ทําการทํางานน่ะเขากลับมารู้ตัวบ่อย พอชีวิตที่มีความรู้ตัวเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีคิดพึ่งก็ไดนะ้มันจะพึ่งตัวสตินะพึ่งเกิดปัญญายมันจะมีคิดพึ่งนะมันจะมีทางแก้ปัญหามันจะมีทางออกกับทุกอย่างของชีวิตแม้ปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้แต่ใจเราวางได้แม้โลกมันจะแก้ไม่ได้แต่ใจเราวางได้ไม่ทุ่มกับมันได้ ในเรื่องการเรื่องงานเรื่องสังคมเศรษฐกิจมันยังวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายกับมันได้แต่การไม่วุ่นวายไม่ใช่ไม่ทําอะไรนะก็ทําเหตุไปแต่เราวางใจว่ามันยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นกับทุกอย่างเนี่ยะผู้ที่มีสตินะไม่ทิ้งกายไม่ทิ้ใจตัวเองนะแต่รักษากายรักษาใจของเราให้พยายามทุกน้อยที่สุดนะให้ปล่อยให้วางให้ได้ แล้วก็ไม่ทิ้งการทิ้งงานไม่หนีเข้าป่าไม่หนีครอบครัวไม่หนีภาระต่างๆให้คนอื่นข้อรับผิดชอบแต่ตัวเดียวนะตัวเองไปเอาส บ, บายผู้เดียวไม่เอาแบบนั้นนะผู้มีผมีสติปัญญาก็ก็รับผิดชอบการงานสิ่งต่างๆนะอย่างดีที่สุดนั่นแหละนะถ้าจะดีก็ดีเพื่อพักเพื่อเติมเพื่อชารไฟแต่พอนั้นก็กลับมา ทำหน้าที่การงานต่อเป็นปกตินะอันนี้คือผู้ที่ฉลาดนะแต่บางคนเนี่ยนะพอทํางานก็หมกมุ่นกับการงานพอพักก็หลมไปกับฝติโตอีกด้านหนึ่งไปเลยก็เหมือนพักผ่อนนะเหมือนเราไปเที่ยวนะกลับมาเหนื่อยก็เก่านะแต่นบางคนเสาร์ศุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยถือโอกาสไปพักผ่อนไปเที่ยวแต่กลับมาดึกกลับมาตะลากลับมาก็แห้งนะจริง ไม่รู้จะเรียกว่าพักผ่อนทีนน่จริงทำให้ตัวเองเหนื่อยกว่าเก่าเสียเงินมากกว่าเก่าเงินมูลคากหามาก็หมดไปกับการไปเที่ยวสนุกสนานแต่ถ้าเราไปเที่ยวเพื่อหาความรู้นะหรือเป็นการพักผ่อนจริงๆริงนะก็ดีก็มีประโยชน์นะแต่จริงนะการภาวนาบาทีไม่ต้องลงทุนอะไรนะการที่จะสร้างความสุข การที่จะพักค่อนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะจะอยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะไปวัดก็ได้หรือจะมาอย่างที่โรงเรียนแบบนี้ก็ได้เนะีเพราะว่าสมปาศจริงๆมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะอาลีอัตภาพจริงๆอยู่ในตัวเราอยู่แล้วการสร้างความสึกตัวนเนี่ยก็ตัวเรานี่แหละสร้างเองนะไม่มีใครสร้างได้ตัวเราก็ไปทุกคนทุกแหงยืนเดินนอน ไปทุกหมดโรงแรเนี่ยสร้างสร้างตัวเนี้ยแหละไม่ต้องไปรออะไรเลยนะเขาบอกไม่ต้องรออะไรเราสร้างเองนะสร้างเหตุนในการรู้สึกตัวของเราเองสร้างเหตุนในการปล่อยวางของเราเองเ น, นี่ยคือเราเรียงสร้างนะด้านขึ้นมาเพราใจวิด ก, ก็คือเนี่ยกายของเราเนี่นนแหละนะความสอบยาววางขึ้นเนี่ยแหละนะใจเนี่ยก็อยู่ในกายเนี่ยแหละนะ เพว่าแยกรูปแยงนามไม่ใช่ว่าแยกกายแยกใจแบบเป็นคนละทิศ ค, คนละทางแบบนั้นนะกายกับใจไปด้วยกันให้มันรู้ให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละนะแต่มันให้เห็นว่ามันมีสองส่วนที่ประกอบกันไม่ใช่ว่ากายทุกใจต้องทุกไม่ใช่ว่ากายเจ็บใจต้องเจ็บนะไม่ใช่ว่าใจทุกกายต้องทุกเลยด้วยนะบางทีกายใจเราทุกเนาะใจเราเครียด ก็ทําให้กายคอยไม่สบายป่วยไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นเนะี่ยโอ้แต่ก่อนเนะี่ยเวลากายทุกใจกทุกเวลาใจทุกกายก็ทุกเนี่ยเราก็เลยพยายามที่อยากให้กายมันสุกเพื่อบังให้ใจมันสุขเนีแต่จริงมันไม่สามารถจะสุขได้ตลอดจริงๆเนีมันไม่เที่ยงเนีแต่เรามาเนะาาี่ยมาศึกษาดูเรื่องกายเรื่องใจจริงๆพรอมันมีสติเนะ ให้ทุกข์กมากมันก็ทุกข์น้อยลงนะแล้วมันจะเป็นความสุขแบบสุขแบบสบายนะไม่ใช่สุขแบบร่องรอยไม่ใช่สุขแบบสนุกสนานนะแต่มันเป็นสุขที่เกิดจากการที่อไม่ต้องคิดอะไระไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะเพียงแค่รู้ซื่อรู้เฉยๆน่ะมันก็วางแล้วไม่จะมีความคิดก็รู้แล้วกลับแค่กับมารู้สึกตัวหิเฉย นีเหมือนก็วางได้ไม่ต้องทําอะไรมากนะไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นแก้ที่ใจของเราเลยนะแก้ที่การวางใจของเราแก้าการกลับมารู้ตนะึตัวเฉๆเนี่ยเ่งเหมือนแก้ได้จริงๆนะเนะี่ยคือมาเทศแบบปฏิบัตินะไม่ใชแบบ่เทศแบบปริยัตไม่ใช่เทศแบบเอาสนุกหรือว่าไม่เทศแบบเอาความรู้นะเ mm hmm. ทศชี้เห็นว่า ปฏิบัติธรรมมันมีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมานะเราก็ไปดูตัวเองนะอนะสิ่งที่มาพูดมันก็เกิดจากสิ่งที่มาปฏิบัตินะี่แหละสิ่งที่โยมจะรู้ก็สิ่งที่โยมสัมผัสจากการปฏิบัติของเราเองนี่แหละเนี่ยเป็นความรู้ที่เราจะไปใช้ได้จริงๆนะนไะอ้พูดให้ฟังมันเป็นสมมุติเฉยๆแต่พอเรารู้แล้วมันเป็นใช้ได้ของเราเองอนะไม่ต้องรอใครมาชี้แนะไม่ต้องไปถามใคร เป็นปัจจัยต่งเฉพาะตนนะถูกผิดก็รู้เฉพาะตนดีชั่วก็รู้เฉพาะตนทําได้ทําไม่ได้รู้เฉพาะตนนี่แหละนะรู้นะรู้ว่าจะทําไม่ได้แล้วก็ทําต่อรู้ว่าทําได้แล้วก็พอก็วางใจก็ทำไปเรื่อยรู้ว่าผิดก็พอนะรู้ว่าถูกก็พอนะทําใหม่ไปเรื่อยนะจะผิดจะถูกก็วางนะบางคนเนี่ยผิด ก็เป็นติดกับความคิดของตัวเองนะอทําผิดสิ่งก็คอยใจก็มองเป็นทั้งวันทั้งคืนทําดีคอยหลงไปเปิ่ไปก็หลงไปอีกก็มีนะอืมผิดแล้วก็วางถูกก็วางไม่ทํำไม่นะมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแ่ะธรรมดานะตอนที่ขาดสติก็จะหลงไปตอนที่มีสติอก็ปกติแล้วนเนี่ยสิเรายังทําได้เยอะๆทำบ่อยๆนะ อธิษฐก็จะเกิดขึ้นของมันเองเนาะนะวันนี้ทั้งวันเนาะเราก็ผงได้เน้นที่การฝึกสติเยอะๆนะเพราะวันเวลาพวกเรานะอาจจะแบ่งไปกับการงานไปกับครอบครัวเยอะแล้วนะแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยเราแบ่งให้กับตัวเราเองเป็นหลักเลยนะเอาเวลาในการสร้างความรู้สึกตัวนะลองดูเนะี่ยก่อนที่จะนอนเนะี่ยก็ กว่าชั่วโมงนะนะถ้าเราตั้งใจไปวึกจริงๆอาจจะไม่ได้ทุกนาทีทุกวินาทีหรอกนะแด่สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะรู้บ้างหลงบ้างนะตนะั้งจังหวะไปเดินไปกรงไปนะรู้บ้างนะมันเครื่องยังดีนะแต่ใส่ความเพียรอยังรู้ไปเรื่อยนะมันจะเป็นมันเป็น้ายมันจะทำให้เราทำนานขึ้นนะ เมื่อเราทําการทํางานเราต้องมาใส่ความชํานาญนะประสบการณ์ชั่วโมงบินชั่วโมงการทํางานนี่แหละมาทําให้เราคล่องตัวนักกีฬาจะเก่งก็ต้องซ้อมบ่อยๆเขาจะเก่งเราเรียนหนังสือแล้วก็ต้องอ่านต้องจําต้องท่องนั่นมาถึงใจชํานาญเราทําการทํางานเป็นช่างไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทํำบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดทักษะขึ้นมา การภาวนาก็เหมือนกันอาศัยกานทำบ่อยๆให้เป็นทักษ ะ, ะใจไม่นจะเป็นทักษะในการรู้สึกตัวในการกลับมามีกสิทธิเยอะๆเนี่ยมีแต่ต้องทำแบบนี้เราเก็บประสบการณ์เนาะเก็บชั่วโมงบิ น, เ, นเก็บชั่วโมงภาวนาเยอะๆนะตอนนี้มันก็ได้ใช้ถึงข่าวจำเป็นก็ได้ใช้เนดะียนเะช้านี้พระจันทร์ตุ้มจะพาไปใน การนี้วันี้นะครวหลังกกาขอา่งขัเดินก